บ o ๊กทูสามเร <ต res S 2> การทำความรู้จักคุ้นเคยสวัสดีค่ะโอลาสวัสดีค่ะบ o นดีอ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 คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะใ o คุณอยู่คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ tempo que está คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ tempo que vai ficar? คุณชอบที่นี่ไหมคะ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 ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่าง Desculpe, mas já tenho outros planos ลาก่อนค่ะ Adeus ลาก่อนค่ะ Até à próxima แล้วพบกันนะค่ะ Até breve